ขณะนั้นมีพรามผู้เพ่งมนที่สาปาโมกคนหนึ่งชาวนครกาละจำปากมีมานบประมาณห0 0รคนแวดล้อมเดินไปเพื่ออาบน้ำและดูมาแต่ไกลเห็นพระเทวีนั้นมีพระรูปงามยิ่งสมบูรณ์ด้วยความงามเป็นเลิศประทับนั่งอยู่ณสาลานั้นด้วยอนุภาพแห่งพระมหาสัตว์ผู้บังเกิดในพระคันของพระเทวี พอเห็นเท่านั้นก็เกิดสิเนหาเราก็ว่าเป็นน้องสาวของตนจึงให้เหล่ามานุพักอยู่ภายนอกเข้าไปในศาลาแต่ผู้เดียวถามว่าน้องหญิงแม่เป็นชาวบ้านไหนพระเทวีตรัสตอบว่าข้าแต่พ่อข้าพเจ้าเป็นอัครมเหสีของพระอริ t h ชนกราชกรุงมิถิลาพรามถามว่าแม่มาที่นี้ทำไม พระเทวีตรัสตอบว่าพระอริ tha ชนกราชถูกพระโปโละชนกลงพระชนเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้ากลัวภัยจึงหนีมาด้วยคิดว่าจกรักษาคันไว้รามถามว่าก็ในพระนครนี้มีใครที่เป็นประญาติของเธอหรือพระเทวีตรัสตอบว่าไม่มีพ่อรามกล่าวว่า ถ้าเช่นนั้นเธออย่าวุ่นใจไปเลยข้าพเจ้าอุทิจจะพรามมหาสารเป็นอาจารย์ทิสาปาโมกข้าพเจ้าจักตั้งเธอไว้ในฐานะเป็นน้องสาวปฏิบัติดูแลเธอเธอจงกล่าวกับข้าพเจ้าว่าท่านเป็นพี่ชายแล้วจับที่เท้าทั้งสองของข้าพเจ้าครื่องครวญเถิดพระเจวีรับคําแล้วเปล่งเสียงดังทอดพระองค์ลงจับเท้าทั้งสองของพราม ทั้งสองต่างก็คร่ำครวญกันอยู่ครั้งนั้นเราอันเตวาสิกได้ยินเสียงของพราหมณ์จึงพากันวิ่งเข้าไปยังศาลาถามว่าท่านอาจารย์เกิดอะไรแก่ท่านหรือพราหมณ์กล่าวว่าพ่อทั้งหลายหญิงนี้เป็นน้องสาวของฉันพลัดพรากจากฉันไปแต่ครั้งโน้นเราอันเตวาสิกกล่าวว่า จำเดิมแต่การที่ท่านทั้งสองได้พบกันแล้วขออย่าได้วิตกเลยพร้อมให้นำยานที่ปกปิดมาให้พระเทวีประทับนั่งในยานนั้นกล่าวกับเหล่านพนบว่าเจ้าทั้งหลายจงบอกแกนางพรามณีว่ายิงนี้เป็นน้องสาวของเราแล้วจงบอกนางพรามณีเพื่อทำกิจทั้งปวงแกนางกล่าวชนี้แล้วส่งพระเทวีไปสู่เรือน ลำดับนั้นนางพรามณีให้พระนางสงสนานด้วยน้ำร้อนแล้วแต่งที่บรรทมให้บรรทมแม้พร้อมอาบน้ำแล้วก็กลับมาสู่เรือนสั่งให้เชิญพระนางมาในเวลาบริโภคอาหารด้วยคำว่าจงเชิญน้องสาวของเรามาและบริโภคร่วมกับพระนางได้ปรนิบัติพระนางในนิเวศของตนไม่นานนักพระนางก็ประสูตรพระโอรส มีวั น, นะดังทองพระเจวีขนานพระนามพระโอรสเหมือนพระอายากาว่ามหาชนกุมารพระกุมาร น, นั้นทรงเจริญวัยก็เล่นอยู่กับพวกเด็กเด็กพวกใดรบกวนทำให้พระกุมารขัดเคืองพระกุมารก็จับเด็กพวกนั้นให้มั่นแล้วตีด้วยพระองค์มีพระละกำลังมากและด้วยความเป็นผู้กระด้างเพราะมานะ เพราะพระองค์เกิดในตระกูลกษัตริย์ที่ไม่เจือปนพวกเด็กเหล่านั้นร้องไห้เสียงดังเมื่อถูกถามว่าใครตีก็บอกว่าบุตรหญิงไม่ตีพระกุมารทรงคิดว่าพวกเด็กว่าเราเป็นบุตรหญิงไม้อยู่เนืองๆช่างเถอะเราจะถามมารดาของเราวันหนึ่งพระกุมารจึงทูลถามพระมาณดาว่าข้าแต่ประมาณดา ใครเป็นบิดาของฉันพระนางตรัสลวงพระกุมารว่ารามเป็นบิดาของลูกวันรุ่งขึ้นพระกุมารตีเด็กทั้งหลายเมื่อเด็กทั้งหลายกล่าวว่าบุตรหญิงไม่ตีจึงตรัสว่ารามเป็นบิดาของเราไม่ใช่หรือครั้นพวกเด็กถามว่ารามเป็นอะไรกับเธอจึงทรงคิดว่าเด็กเหล่านั้นกล่าวว่า รามเป็นอะไรกับเธอมารดาของเราไม่บอกเหตุการณ์นี้ตามจริงท่านไม่บอกแก่เราตามใจของท่านยกไว้เถิดเราจะให้ท่านบอกความจริงให้ได้เมื่อพระกุมารดื่มน้านมกระมารดาจึงกัดพระทันพระมารดาไว้ตรัสว่าข้าแต่แม่แม่จงบอกบิดาแก่ฉันถ้าแม่ไม่บอกฉันจะกัดพระทันของแม่ให้ขาด พระนางไม่อาจตรัตลวงพระโอรสจึงตรัสบอกว่าพ่อเป็นโอรสของพระเจ้าอริธะมหาชนกในกรุงมิถิลาพระบิดาของพ่อถูกพระโปละชนกปลงพระชนแม่ตั้งใจรักษาตัวพ่อจึงมาสู่นครนี้พรามนี้ตั้งแม่ไว้ในฐานะเป็นน้องสาวปฏิบัติ ด, ดูแลแม่ตั้งแต่นั้นมาแม้ใครว่าเป็นบุตรหญิงไม่ พระกุมารก็ไม่เกลี้วพระกุมารทรงเรียนตรายเพศและศิลปศาสตร์ทั้งปวงในภายในพระชน16ปีเมื่อมีพระชนได้16ปีเป็นผู้ทรงพระรูปโฉมอันอุดมพระองค์ทรงคิดว่าเราจะเอาราชสมบัติซึ่งเป็นของพระบิดาจึงทูลถามพระมารดาว่าข้าแต่พระมารดาทรับอะไรอะไรที่พระมารดาได้มามีบ้างหรือไม่ ฉันจักค้าขายให้ทรัพย์เกิดขึ้นแล้วจักเอาราชสมบัติซึ่งเป็นของพระบิดาพระนางตรัสตอบว่าลูกรักแม่ไม่ได้มามือเปล่าจิ่งอันเป็นแก่นสารของเรามีอยู่สามอย่างคือแก้วมนีแก้วมุกดาแก้ ว, วิเชียนในสามอย่างนั้นแต่ละอย่างพอจะเป็นกำลังเอาราชสมบัติได้ พอจงรับแก้วสามอย่างนั้นคิดอ่านเอาราชสมบัติเถิดอย่าทําการค้าขายเลยพระกุมารทูลว่าข้าแต่พระมารดาขอพระมารดาจงประทานทรัพย์นั้นกึ่งหนึ่งแก่หม่อมฉันหม่อมฉันจะเอาไปเมืองสุวรรณภูมินําทรัพย์เป็นอันมากมาแล้วเอาราชสมบัติซึ่งเป็นของพระบิดาทูลดังนี้แล้วให้พระมารดาประทานทรัพย์กึ่งหนึ่ง จำน่ายออกเป็นสินค้าแล้วให้ขนขึ้นเรือพร้อมกับพวกพาณิชย์ที่จะเดินทางไปสุวรรณภูมิแล้วกลับมาถวายบังคมลาพระมารดาทูลว่าข้าแต่พระมารดาม่มฉันจะไปเมืองสุวรรณภูมิพระนางตรัสห้ามว่าลูกรักขึ้นชื่อว่ามหาสมุทรสำเร็จประโยชน์น้อยมีอันตรายมากอย่าไปเลย ทรัพย์ของพ่อมีมากพ่อประโยชน์เอาราชสมบัติแล้วพระกุมารทูลว่ามอมฉันจักไปแท้จริงทูลลาพระมารดาถวายบังคมกระทําประทักษิณแล้วออกไปขึ้นเรือในวันนั้นได้เกิดพระโรคขึ้นในพระสรีระของพระเจ้าโปลชนกกราชพระองค์บัรทมแล้วเสด็จลุกขึ้นอีกไม่ได้ พวกพานิช์ประมาณ700รอคนขึ้นสู่เรือเรือแล่นไปได้เจ็ร้ยโยธใช้เวลาเจวันเรือแล่นไปด้วยกำลังคลื่นที่ร้ายกาจไม่อาจทรงตัวอยู่ได้แผ่นกระดานก็แตกด้วยกำลังคลื่นน้ำเข้ามาแต่ที่นั้นๆเรือก็จมลงในกลางมหาสมุทรมหาชนกลัวมรณะภัยร้องไห้คร่ำครวญกราบไหว้เทวดาทั้งหลาย แต่พระมหาสัตว์ไม่ทรงกันแสงไม่ทรงคร่ำครวนไม่ไว้เทวดาทั้งหลายพระองค์ทรงทราบว่าเรือจะจมจึงคลุกน้ำตาลกรวดกับเนยสเสวยจนเต็มท้องแล้วชุบผ้าเนื้อกเกลี้ยงสองผืนด้วยน้ำมันจนชุ่มทรงนุ่งให้มัน่นประทับยืนเกาะเสากระโดงเวลาเรือจมทรงปีนขึ้นบนยอดเสากระโดง มหาชนเกิดเป็นพักษาแห่งปลาและเตา่าน้ำในบริเวณนั้นมีสีเหมือนโลหิตพระมหาสัตว์ประทับยืนที่ยอดเสารกระโดงทรงกำหนดทิศว่าเมืองมิธิลาอยู่ทิศนี้ก็กระโดดจากยอดเสารกระโดงล่วงพ้นฝูงปลาและเตา่าไปตกในที่สุดอุสภะหนึ่งเพราะพระองค์มีพระกำลังมาก พระเจ้าโปรลชนกราชได้สวรคตในวันนั้นเหมือนกันจำเดิมแต่นั้นพระมหาสัตว์ลอยไปอยู่ในคลื่นซึ่งมีสีดังแก้วมณีเหมือนท่อนกล้วยทองข้ามมหาสมุทรด้วยกำลังพระพาหา